สวัสดีค่ะท่านฟังคะพบกันอีกนะคะกับรายการสันนีสนทนาค่ะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีก154าสี่ถานีดิฉันสันนียนนาพงศ์ดำเนินรายการค่ะก็มีจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือของทางวิทยาลัยาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรองศาสตราจารย์พิณิดรัตกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะคะได้ส่งมาว่าได้ทําหนังสือเกี่ยวกับพระอารามหลวงขึ้นชุดละสองพามร้อบาทบางคนบอกโอ้โหทําไมแพงจังแต่จริงๆแล้วดูแลคุ้มค่ะหนังสือสวยงามมากเล่มใหญ่สองเล่มเป็นชุดใส่ไว้ในกล่องอย่างดีนะค ะ, ะเป็นเรื่องราวของพระอารามหลวงที่ มีอยู่เนี่ยพร้อมทั้งภาพประกอบแล้วก็ต้องเข้าใจว่าที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาทำหนังสือขึ้นมาเนี่ยข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเรียกว่าเป็นมาตรฐานอนอกจากนี้ก็ยังมีวารสารบทความทางด้านวิชาการปรัชญาศาสนาของวิทยาลัยอีก4เล่มนะคะซึ่งสามารถเป็นสมาชิกกันได้เพียงปีละ350บบาทก็ถ้าสนใจนะคะจะซื้อเก็บไว้เอง หรือว่าจะซื้อเพื่อที่จะบริจาคให้กับโครงการหนังสือดีเพื่อคุณภาพของเด็กไทยกับทางสถาบันเนี่ยก็ติดต่อไปที่คุณกรุณาเกิดสุขนะคะหรือว่าคุณเนยที่เป็นผู้ฝากข่าวมาที่หมายเลขโทรศัพท์0817413885อีกครั้งนะคะ0817413885 หรือว่าจะติดต่อไปโดยตรงที่วิทยาลัยาศาสนาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเลยก็ได้นะคะเรียนยืนยันว่าหนังสือน่าอ่านมากแล้วก็เนื้อหาเนี่ยได้ผ่านกระบวนการการศึกษาแล้วน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะมาถึงเรื่องของในรายการที่ตั้งใจจะหยิบยกเอามาสนทนาในช่วงถามโลกตอบธรรมวันนี้ข่าวใหญ่มากนะคะก็คือข่าวของวัดโสธร วา ร, ารามหรือวัดหลวงพ่อโสธรที่เราเรียกกันติดปากแล้วดิฉันเชื่อว่าคนเกือบทั้งประเทศเลยนะคะทานับถือศาสน า, าพุทธหรือแม้แต่กระทั่งไม่นับถือศาสนาพุทธอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะรู้จักที่นี่เพราะศรัท ธ, ธาในหลวงพ่อโสธรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ดิฉันเองก็ไปกราบนมรดกการบ่อยนะคะตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่มีการบุรณะวัดขึ้นมาใหม่ กับหลังจากที่มีการบูรณะแล้วงดงามมากอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่สนใจมาพูดเนี่ยก็ ข, ขึ้นพาดหัวแหมเหมือนกับหนังจีนแล้วนะเขบอกว่าศึกชิงจเจ้าอาวาสคือถ้าศึกชิงนางศึกอะไรอย่างเงี้ยพวกเราฟังแล้วปกติใช่ไหมคะแต่พอเป็นศึกชิงจเจ้าอาวาสปุ๊บทุกคนตกใจดิฉันคงไม่ต้องขยายความว่าทําไมตกใจและหลังจากนั้นก็มีเรื่องตามมาพอเป็นประเด็นปุ๊บ ก็เกิดมีคนบอกว่าองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยก่อนบุรณะกับหลังบุรณะเนี่ยไม่เหมือนกันเลยลงหนังสือพิมพ์มีภาพมาเปรียบด้วยก็เป็นประเด็นคำถามขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ทิ่ฉันได้อ่านโดยสรุปเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนื่องจากวัดเนี่ยก็จะต้องบริการประชาชนที่ศรัทธาให้ไปปิดทองก็จึงมีการทานันย ไ, ไม่รู้นะคะเพื่อที่จะให้ปิดทองแล้วทองเนี่ยกบ แล้วปิดเล่าปิดซ้ําปิดอีกเนี่ยปิดมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วในส่วนของแผ่นทองเนี่ยจึงมีความหนาเมื่อมีการบูรณะก็จึงมีการลอกแผ่นทองเดิมออกพอออกมาเป็นพระที่หลังจากได้รับการบูรณะแล้วเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างโครงหน้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างที่เห็นปรากฏอยู่ในภาพนี้อันนี้ก็เป็นคําตอบของที่นั่นเรนเองก็เข้าใจนะคะในนามของ ประชาชนที่มีความรู้สึกว่าอะไรที่คนเข้าไปศรัทธามากมีความรู้สึกเป็นเจ้าของไปนในที่สุดก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยในฐานะที่เป็นพระพุทธรูปของสาธรารณชนไปซะแล้วเนี่ยแต่ในขณะเดียวกัน เ, เรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องอะไรดิฉันไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่อยากจะพูดในเรื่องของหลักการตามธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามไปฟังการสนทนาในช่วงของถามโลกตอบรามด้วยกันนะคะ